hmm เป็นวันที่สองของการปฏิบัติธรรมแบบเข้มขน้นหรือว่าการปฏิบัติธรรมแบบอุกฤษเป็นเวลา40วันปีหนึ่งปีหนึ่งวัดป่าสุโโตกนะ็เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นพระแม่ชีหรือญาติโยมได้มาปฏิบัติธรรมแบบเข้มขน้นหรือบางทีเราก็เรียกว่าเก็บอารมณ์น เป็นเวลา40วันการปฏิบัติธรรมในลักษณะนี้เนี่ยนะต้องอาศัยความตั้งใจต้องอาศัยวิริยะอุตสาหะหลายคนไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนแล้วก็อาจจะนึกภาพว่าจะมีอุปสรรคความยากลำบากอย่างไรบ้างเพราะไม่คุ้นเคยแต่ก็ตัดสินใจมาที่นี่ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาเพราะหลายคนเนี่ยพอนึกถึงอุปสรรคความยากลำบากซึ่งอาจจะเกิดจากการปรุงแต่งขึ้นมาเองหรือได้ยินจากคำบอกเล่าก็กลัวละเพียงแค่นึกถึงความไม่สะดวกสบายในเรื่องการอยู่การกินคนที่ติดสุขติดสบาย ก็ไม่กล้ามาแล้วแม้จะรู้ว่ามันเป็นสิ่งดีมีประโยชน์แต่ก็หาข้ออ้างหาเหตุผลต่างๆนาน า, นาเพื่อว่าจะได้ไม่ต้องมาแต่ว่าการที่พวกเรานะหลายท่า น, นมาจนถึงที่นี่ได้ไม่ว่าจะเคย มาปฏิบัติลักษณะนี้มาก่อนหรือไม่แต่เมื่อตั้งใจมาถึงนี่แล้วก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะน่านุมโมทนามันอาจจะเป็นก้าวที่สำคัญในชีวิตของเราก็ได้เพราะเป็นโอกาสที่เราจะได้มารู้จักตัวเองพร้อมๆไปกับการ เอาชนะกิเลสที่มันคอยล่อหลอกหรือลวงเราให้หลงการมาปฏิบัติแบบอุกฤษเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่มาฝึกความอดทนนะเพราะความอดทนนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนอยู่แล้วจะเลือเป็นผลพลอยได้ก็ได้ แต่ว่าสิ่งที่น่าจะได้มากกว่า น, นั้นก็คือการที่เราได้รู้จักตัวเองโดยเฉพาะนะจิตใจได้มาเห็นได้มารู้จักว่าใจนี้เนี่ยนะมันเป็นเหตุชักนำให้เกิดความทุกข์ได้อย่างไรบ้างแล้วก็รู้ ทางออกจากทุกข์นะด้วยจิตใจนี่แหละการมาปฏิบัติธรรมแบบเก็บอารมณ์หรือไม่เก็บอารมณ์ก็แล้วแต่นี่นะมันก็เป็นการฝึกจิตเพื่อทำให้มีสติมีปัญญานะไม่ใช่แค่มีขันติหรือความอดทนเท่านั้นแต่จะทำอย่างนั้นได้นี่ก็ต้องรู้จักนะการ ปฏิบัติวางจิตวางใจให้ถูกต้องด้วยสิ่งหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะสำหรับพวกเราที่จะมาเก็บอารมณ์40วันก็คือการเลียนลู้ที่จะอยู่ในป่าหรือว่าในที่ทางของเราอย่างเป็นปกติสุข ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยู่กุตตินะก็ต้องกลางเต็นอยู่แล้วก็ตำแหน่งที่อยู่ก็อาจจะกระจัดกระจายอยู่ในป่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยนะสำหรับหลายคนสิ่งหนึ่งที่มันจะช่วยได้อย่างมากนะทำให้การปฏิบัติของเราราบรื่นเนี่ย ก็คือมีความพอใจในจุดที่เราเลือกหรือว่าจุดที่เร า, าได้รับมอบหมายหลายคนเนี่ยพอเลือกว่าจะอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วพอไปเห็นเพื่อนเขาไปอยู่อีกจุดหนึ่งซึ่งดูมันดีกว่าตำแหน่งมันดีกว่า ก็เริ่มจะไม่พอใจจุดที่ตัวเองปักหลักอยู่ตรงนี้มันจะเป็นจุดเริ่มตน้นของความทุกข์เลยก็ได้หลายคนแค่วันแรกนี้ก็ทุกข์แล้วเพราะไปเปรียบเทียบว่าโอคนนั้นเขาได้อยู่สบายหรือว่าคนนั้นเนี่ยคนนี้เขาได้อยู่ใ น, ในจุดที่มันะสะดวกหรือว่าสงบสงัด ธรรมชาติขรรจ์ก็ชอบเปรียบเทียบนะมีคําพูดเป็นภาษิตย์หรือจำนวนของภาษาฝรั่งว่าสนามหญ้าของเพื่อนบ้านเนี่ยมันจะเขียวกว่าสนามหญ้าของเราเสมอคือเวลาเห็นสนามหญ้าของเพื่อนบ้านเนี่ยโอ้จะรู้สึกโอ้สนามหญ้าขเขามันทำไมมันสวยแบบนี้สนามหญ้าบ้านเราไม่สวยเลยในที่จริงอาจจะสวยกว่าก็ได้ ของเราอ่ะนะแต่ว่าธรรมชาติคนเราเวลาเปรียบเทียบเนี่ยเราก็จะเห็นว่าของคนหนึ่งเขาดีกว่าของเราเสมอและนี่อาจจะเป็นปัญหาของคนที่มาปฏิบัตินะตั้งแต่ว่าแรกแรกนะทีแรกเราก็เลือกอตรงนี้แหละนะแต่พ อ, อเดินไปเห็นตำแหน่งของคนนั้นคนนี้ตรงป่าไผ่บ้างหรือว่าตรงหินโค้งบ้างเออมันดีกว่า ของเราต้องเยอะนะตอนนี้แหละก็จะเริ่มแล้วนะไม่มีความสุขไม่มีความพอใจมันคิดแต่จะย้ายนะยิ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้เลือกเองนะแต่ว่าได้รับมอบหมายหรือว่ามีคนเลือกให้เนี่ยมันก็จะยิ่งเห็นแต่ข้อไม่ดีจุกบกพร่องของอที่ที่เราอยู่นะต้องฝึกใจนะมองให้เห็นถึง ข้อดีข้อเด่นนะของตำแหน่งที่เราเลือกหรือตำแหน่งที่เราอยู่พยายามรักนะมีความพอใจตรงนั้นให้ได้พยายามมองเห็นข้อดีนะของตรงนั้นให้ได้แล้วก็รู้สึกว่าเออเกิดความพอใจนะที่ได้อยู่ตรงนั้นถ้าเรามีความรักมีความพอใจในสถานที่นั้นเนี่ยสถานที่นั้นก็จะ อำนวยประโยชน์ให้กับเราแต่ถ้าเราไม่ชอบนะสถานที่นั้นสถานที่นั้นก็จะทำให้เรามีความทุกข์มากขึ้นมันก็เหมือนกับเวลาเราทํางานถ้าเรารักงานที่ทํานะเราเห็นคุณค่าของงานที่ทํางานนั้นเนี่ยก็จะให้คุณค่ากับเราแต่ถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของงานนะั้นไม่ว่าจะถึงแม้จะมีเงินเดือนเยอะเราก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า คุณค่าของตัวเราไม่ได้อยู่ที่ว่างานนั้นเป็นงานอะไรแต่อยู่ที่ว่าเราให้คุณค่ากับงานนั้นแค่ไหนเท่าเราให้คุณค่ากับงานนั้นงานนั้นก็จะให้คุณค่ากับเราถึงแม้จะเงินเดือนน้อยหรือว่าสายตาคนอน่นจะมองว่ามันเป็นงานที่ต่ําต้อยก็ตามในสทองเด็กกันเนี่ยเมื่อเราจนะให้คุณค่าให้ความอายอมรับนะในสถานที่ที่เราเลือก สถานที่นั้นแหละก็จะอำนวยนะประโยชน์อำนวยความสุขให้กับเราเมื่อเลือกตรงไหนแล้วก็ควรจะอยู่ตรงนั้นนะไปจนตลอดนะให้ครบสี่สิบวันถ้าเกิดว่าเราตั้งใจจะอยู่ทั้งสี่สิบวันเนี่ยไม่งั้นเนี่ยจะจับจดนะอยู่ไม่ได้สองสมายวหาหาข้ออ้างใจย้ายแล้วย้ายไปนั่นย้ายไปนี่แล้วก็ไม่มีความพอใจสักทีกลายเป็นว่าแทนที่จะมาปฏิบัติธรรมนะมา มาเรียนรู้จิตใจตัวเองนะก็กลายเป็นว่าถูกความคิดมันหลอกมันหลอกเรานะมันหลอกให้เรานะจับจดนะไม่พอใจสักอย่างนะถ้าเป็นกนนีเราว่าโดนกิเลสมันมเล่นงานแล้วเรามาปฏิบัติเพื่อเอาชนะกิเลสหรือเพื่อไม่ให้กิเลสมาครอบงามาหลอกล่อเราแต่สุดท้ายเนะี่ย ไม่ใช่สุดท้ายแต่แค่วันแรกเท่านั้นแหละหรือสองสามวันแรกนี้ก็พา่าเสียทีแล้วเพราะนั้นเนี่ยนะไม่ว่าเราอยู่ตรงไหนนะเมื่อเราเลือกแล้วเนี่ยก็ขอให้เราอยู่ตรงนั้นนะพยายามมองให้เห็นว่าตรงนั้นมันดีอย่างไรมันเกื้อกูลต่อการปฏิบัติอย่างไรมันเป็นสัพปะยะแค่ไหนมันอยู่ที่มุมมองของเรานะแล้วถ้าเรามองบวกมอง เห็นด้านดีของมันเนี่ยเราก็จะปฏิบัติอย่างมีความสุขนะไม่ไม่งุนง่านนะไม่งุดหญิตประการต่อมาคือว่าเมื่อเรามาถึงนี่แล้วเนี่ยก็ควรจะตั้งจิตอธิษฐานนะอธิษฐานในที่นี้ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าขอนะขอให้การปฏิบัติเจริญก้าวหน้าอ่อันนั้นมันไม่ใช่การอธิษฐานที่ถูกต้อง อธิษฐานภาษาบาลีหรืออธิษฐานในพุทธศ า, าสนาแปลว่าตั้งจิตมั่นคงเด็ดเดี่ยวแน่วแน่น <C 'm S 1> เช่นถ้าเราตั้งใจว่าเราจะมาปฏิบัติที่นี่สี่บวันก็อธิษฐานเลยนะว่าเราจะอยู่ที่นี่สี่สิบวันนะถ้าไม่ถึงสี่สิบวันเราจะไม่ไปไหนนะไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามอาจจะอธิษฐานตั้งแต่ว่าเมื่อเรา อยู่ตรงนี้เนี่ยนะเราก็จะไม่ย้ายไปไหนจนครบสี่สิบวันด้วยก็ได้สำคัญมากนะเพราะว่ากิเลสหรือมาเนี่ยมันจะคอยล่อหลอกให้เราเนี่ยคลายความเพียรเราตั้งใจจะมาสี่สิบวันแต่ว่าพอมาได้สักสามสี่วันมันก็ท้อแล้วเบื่อแล้วจะถอยทับแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งจิตอธิษฐานนะ เราก็จะพ่ายแพ้ต่อกิเลสได้ง่ายมากเพราะว่ามันจะมีข้ออ้างมากมายที่จะทำให้เราเนี่ยเลิกการปฏิบัติเช่นทำแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยหรือว่าเบื่อเหลือเกินนมันลำบากมากบางทีก็จะโทษนั่นโทษนี่โทษดินฟ้ากาโทษวัดนะโทษเพื่อนที่ร่วมปฏิบัติ เือจะเป็นข้ออ้างว่าเราเลิกดีกว่านะแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นเด็ดเดียวนะไอเหตุผลต่างๆที่จะมาล่อลอกให้เราเลิกปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมันก็จะหายไปเลยหรือว่ามันก็จะมาประเดี๋ยวประดา๋แล้วก็หายไปอย่าคิดเพียงแค่ว่าจะทำให้ดีที่สุดหลายคนมาเนี่ยด้วยความเพื่อนเนี่ยฉันจะทาให้ดีที่สุด คำว่าดีที่สุดนี่มันแค่ไหนเนี่ยนะมันกลวงมากนะไอ้คำว่าดีที่สุดเนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรเลยเนี่ยเพราะว่าเราก็จะอ้างได้ว่าพอมาสี่วันห้าวันเจ็ดวันแล้วเราก็บอกว่าไม่ไหวแล้วเราทาดีที่สุดแล้วทาได้แค่นี้นะมันจะเปิดช่องให้กิเลสนะมาล่อหลอกเราอยู่เพราะนั้นเนี่ยก็ต้องนะตั้งจิตเลยนะว่าเราจะอยู่ครบสี่สิบวัน หรือใครที่ตั้งตั้งใจว่าจะมาแค่เจ็ดวันอ่ะก็ก็อธิษฐานว่าเนี่ยจะอยู่ให้ครบเจ็ดวันเนี่ยและถ้าดีนะก็ลองอธิษฐานต่อไปว่าด้วยว่าเนี่ยนะจะพยายามไม่นอนกลางวันเพราะว่าพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยนะไอตัวนีิวันตัวแรกเนี่ยก็คือทินมิทธะเนี่ยความงงเนี่ยมันจะเข้ามาเล่นงานเราแล้วพอเล่นงานแล้วนะนะ ถ้าเรายอมแพ้นะการปฏิบัติของเราก็จะไม่ก้าวหน้าเว้นแต่ว่าเราป่วยคือถ้าเราอดนอนหรือว่าป่วยอันนี้ก็สมควรที่จะนอนพักได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาปฏิบัติเนี่ยนะเราไม่ได้ง่วงเพราะกายนะแต่เราง่วงเพราะใจใจมันเบือ่อ มันไม่มีสิ่งเรานะอยู่ข้างนอกเนี่ยนะอยู่วัดอยู่บ้านเนี่ยมันมีสิ่งเราให้จิตเรามันตื่นตลอดเวลาสิ่งเราก็เช่นแสงสีเสียงข้อมูลข่าวสารนะโดยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมันมาหลายทางเหลือเกินโดยเพราะจากโทรศัพท์มือถือโซเชียลมีเดียรวมทั้งจากงานการต่างๆหลายคนก็ทำงานเยอะ ไอ้งานการต่างๆต้องพบป่าผู้ค น, นก็เป็นสิ่งเราทำให้จิตเรามันตื่นแต่พอมาปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยยิ่งมาเก็บอารมณ์ด้วยแล้วเนี่ยพูดคุยออกับคนก็ไม่ค่อยได้คุยเท่าไหรนะ่แสงสีก็ไม่มีมาเล้าใจงานการก็ไม่ได้ทำมีแต่ อยู่ในอิเล็บทซ้ำๆเช่นสร้างจังหวะเดินจงกลมกลับไปกลับมาแล้วก็อยู่ในที่อยู่ในที่ที่เดียวนะไม่ได้ไปไหนไกลมองไปทางไหนก็มีแต่ป่าเห็นแต่สีเขียวมันก็จะค่อยๆง่วงนะง่วงแล้วถ้าเรายอมแพ้นะคือนอนนอนกลางวันเงี้ยมันก็จะได้ใจนะ พิเลมันไม่อยากจะให้เราปฏิบัติอยู่แล้วมันก็จะอ้างว่าง่วงนอนให้เรานอนดีกว่าทั้งที่เราก็ไม่ได้อดนอนเลยทั้งที่ร่างกายก็ไม่ได้อ่อนเพลียแต่มันจะล่อให้เรานอนเพื่อว่าเราจะได้เลิกปฏิบัตินะเพราะถ้าเราปฏิบัติเก้าหน้าเนี่ยเราจะสามารถเอาชนะมันได้ไม่อยู่ในอำนาจของมันต่อไปมันก็จะล่อให้เราเนี่ยคลายความเพียด้วยการ ง่วงนอนแล้วก็หลอกล่อให้เรานอนเพราะนั่ น, นถ้าเราเชื่อมันนะยอมนะมันก็จะง่วงแทบทุกวันอพอถึงเวลาเนี่ยนะสักบ่ายๆเนี่ยเอาละง่วงแล้วและยิ่งปฏิบัตินี่เราคิดว่าไม่มีใครที่จะมาเดินตรวจตาเรามันก็ยิ่งเป็นโอกาสที่ทำให้อะ ทำตามกิเลสได้ง่ายขึ้นก็หลับไปเลยเนะี่ยพอหลับไปแล้วบางทีหลับสองสามชั่วโมงนะตื่นขึ้นมาถึงเวลาค่ำมันไม่หลับนะตาค้างตาสว่างก็กลายเป็นว่านอนได้ไม่กี่ชั่วโมงพอตื่นเช้าขึ้นมามันก็จะ ง, ง่วงแล้วเนะพราะว่าอดนอนหรือว่านอนอน้อยแล้วเราก็จะเลยก็กลายเป็นว่าเนี่ยก็อยู่กับนะ ความหลงความง่วงนะการปฏิบัติก็เลยไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่ให้ลองทิฏฐานนะว่าเราตั้งใจจะไม่นอนกลางวันเว้นแต่ว่านอนไม่หลับหรือว่าเจ็บป่วยตอนนี้ถือว่าเป็นสาเหตุทางกายนะก็มีเหตุผลนะให้ลองตั้งใจทิฏฐานง่า ย, ายๆนี่นะ อย่างที่ว่ามาเนี่ยตั้งใจจะอยู่ไว้ครบ40วันจะไม่นอนกลางวั น, นหรือยิ่งถ้าใครตั้งใจจะเข้มงวดตัวเองเช่นจะไม่คุกคีจะไมะ่ไปพูดคุยกับใครนะเราจะอยู่กับตัวเองการอยู่กับตัวเองเนี่ยนะในช่วง40วันเนี่ยนะเราจะอยู่กับตัวเองมากทีเดียวนะเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้ฝึกจิตฝึกใจ แต่ก็อย่างที่คนโบราณว่านะอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กมิตให้ระวังวาจาพอเรามาอยู่คนเดียวนะเก็บอารมณ์เนี่ยนะสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยนะมันไม่ใช่อะไรอื่นนะบางคนก็กลัวงูบางคนก็กลัวผีสางไอ้พวกนั้นไม่น่ากลัวเลยระวังเอาไว้ก็ดีแต่สิ่งที่ต้องระวังมาก ที่สวยก็คือความคิดนะในใจหรือในหัวของเราซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดจากการปรุงแต่งของกิเลสของมาร น, นะอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่มันจะล่อหลอกให้เรานอนมันจะล่อหลอกให้เราเลิกปฏิบัติแต่มันยังมีอีกมากมายเราสามารถอยู่ในป่าเพื่อที่ว่าจะไม่มีสิ่งมากระตุ้นให้ส่งจิตออกนอกนะ อันนี้คือเหตุผลที่น่ะเรามาเก็บอารมณ์เพื่อว่ามันจะไม่มีสิ่งเร่าเพื่อให้จิตส่งออกนอกแต่จิตมันก็ยังเผลอนะเข้าไปในความคิดเข้าป็นนโลกแห่งความคิดซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นโลกของอดีตหรือไม่ก็โลกของอนาคตที่ปรุงแต่งนะีหลายคนเนี่ยนะพอปฏิบัติไปทีแรกก็ง่วงนะ ต่อไปเนี่ยพอพอเริ่มคุ้นเริ่มเคยแล้วหลังจากอยู่ไปได้สมสี่ห้าวันนะมันก็จะเริ่มฟุ้งแล้วจิตเนี่ยมันจะพยายามพยายามหาเรื่องราวมาเพื่อกระตุ้นให้มันตื่นตัวจิตเนี่ยมันเสพติดความคิดนะร่างกายบางคนอาจจะเสพติดบุหรี่เสพติดกาแฟแต่ว่าจิตเนี่ยมันเสพติดความคิดพออยู่ในป่านะ หรือว่าอยู่ในกุตติเก็บอรมณ์เนี่ยพอมันไม่มีความคิดนะมันก็เริ่มหงอยนะมันก็เริ่มไม่มีชีวิตชีวามันก็ต้องหาทางกระตุ้นให้มีความคิดเกิดขึ้นอตอนนี้แหละมันจะคิดฟุ้งซ่านแล้วมันจะเกิดนะทั้งความลังเลสงสัยคือวิจิกิจฉามันจะเกิดอุทจักกุจกจักคือความคิดฟุง้งซ่านร้อนใจคือวิตกกังวล สารพัดนะและหลายคนเนี่ยนะพอมันฟุ้งซ่านก็จะทำไงก็พยายามกดข่มมันเอาไว้พยายามกดข่มมันเอาไว้เพราะว่ามานี่ก็อยากจะให้ใจสงบนะพอมันกดขม่มพอมันฟุ้งซ่านขึ้นมาก็มีอาการไม่พอใจและยิ่งกดข่มมันเท่าไหร่เนี่ยนะมันก็ยิ่งต่อต้านยิ่งพยจอยิ่งอารวาส ก็กลายเว่ายิ่งกดก็ยิ่งฟุง้งนะแล้วก็ทําให้หลายคนนะเกิดความเครียดเกิดความหงุดหงิดมีอาการกระสับกระส่ายยิ่งไม่มีอะไรทําเพลินๆนะแต่ก่อนเนี่ยถ้ามีความหงุดหงิดแบบนี้มีความฟุ้งซ่านแบบนี้ก็หลบไปหนีไปทำหนไีไปพูดไปพูดไปคุยนะไปหาเรื่องเสพดู นะให้มันเพลินเพลิน ม, มันจะได้หยุดฟุ้งซ่านสักทีแต่พอไม่มีสิ่งเหล่านี้หรือทําอย่างนั้นไม่สะดวกเนี่ยมันก็จะเริ่มหงุดหงิดเครียดนะบางคนก็เรียกว่ากระสับกระส่ายทุรนทุ ร, ทรายนะสุดท้ายทนไม่ได้ก็ต้องออกไปออกไปคุยออกไปคุกคีนะ จริงๆความฟุ้งซ่านเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหานะปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่ชอบความฟุ้งซ่านพอไม่ชอบความฟุ้งซ่านก็เลยพยายามไปกดข่มมันเอาไว้จริงๆความฟุ้งซ่านหรือความคิดที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวปัญหานะ <c oughs> เข้ามาเพื่อให้เราได้เรียนรู้เข้ามาเพื่อเราได้ฝึกสติรู้ทัน แต่หลายคนเนี่ยไม่ชอบความฟุ้งซ่านมันคิดทีไรก็จะไปกดมันทุกทีขมมันทุกทีนะและสุดท้ายก็จะมีอาการหน้ามืดหนักหัวหายใจไม่ค่อยสะดวกเกรงยังไม่นับความหงุดหงิดนะความรำคาญความเครียดอันนี้ต้อง วางใจให้ถูกนะว่าเรามาปฏิบัติเพื่อฝึกให้รู้ทันความคิดไม่ใช่เพื่อให้ความคิดมันหายไปบางคนมาเพื่อจะให้มาด้วยความหวังว่าจะให้จิตสงบไม่คิดเลยเพราะนั้นพอคิดทีแ้กก็จะไปกดข่มกาจัดนะเราไม่ได้มาฝึกเพื่อไม่ให้ความคิดหมดไปนะแต่เพื่อให้รู้ทันความคิดผู้ยานั่นคือว่าเราไม่ได้มาฝึกเพื่อให เพื่อมาควบคุมความคิดแต่เพื่อไม่ให้ความคิดมาควบคุมเราต่างกันมากเลยนะระหว่างพยายามควบคุมความคิดกำจัดมันให้หมดไปจากใจกับการที่รักษาใจไม่ให้มันมาควบคุมเราแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นก็ก็ชั่งมันแต่ว่ามันทำอะไรจิตใจเราไม่ได้ความคิดนะฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็ก็แค่เห็นมัน มันมาเพื่อเป็นคู่ซอ้อมให้กับสติเนะพราะสติของเราเนี่ยนะมันต้องมีการบ้านต้องมีคู่ซอ้อมถึงจะเข้มแข็งฉับไวไม่งั้นจะไปรังเกียจความคิดฟุ้งซ่านนะถ้าเราวางใจเป็นกลางกับมันก็ไม่เกิดความทุกข์เกิดความหงุดหงิดอะไรแต่เป็นเพราะเราไม่ชอบนะเรารู้สึกลบกับมัน อะไรก็ตามเนี่ยนะมันไม่สร้างมันไม่ได้มันไม่ได้สร้างปัญหาให้กับเราเท่ากับการที่เรารู้สึกลบกับมันบางครั้งเนี่ยมันก็มีเสียงดังนะเสียงดังไม่ใช่ปัญหาปัญหาเกิดจากการที่ใจไม่ชอบเสียงนั้นใจรู้สึกลบกับเสียงนั้นจิตมันก็เลยดิ้นเลยนะพอจิตดิ้นพุบเนี่ยมันทุกข์เลยความทุกข์ใจมันเกิดจากจิตที่ดิน้นดิ้นเพราะอยากได้ หรือดิ้นดิ้นเพราะอยากผักายอยากหนีสถานที่เนี่ยนะที่เราอยู่เนี่ยก็เหมือนกันนะบางครั้งมันก็อาจจะดูขี้เละนะแต่ถ้าระวังใจเป็นกลางกับมันก็ไม่เป็นอะไรแต่พอเราสึกลบกับมันนะเราก็จะไม่มีความสุขแล้วถ้าเราคิดแต่จะหนีไปหาที่ใหม่นะเราก็จะหนีเรื่อยไปแต่ถ้าเราเริ่มรู้จักยอมรับมัน รู้จักวางใจเป็นกลางกับมันเราก็จะพบกับความสงบในจิตใจเสียงก็เหมือนกันนะเสียงดังนะถ้าเราไม่งุดหิีกับมันวางใจเป็นกลางกับมันยอมรับมันเออมันจะดังก็ดังไปใจก็จะสงบได้สงบได้ทั้งที่เสียงดังมากระทบหูความคิดฟุ้งซ่านก็เหมือนกันนะเออถ้าเรามองว่ามันเป็นธรรมดาธรรมดาของใจที่มันจะฟุ้งนะ ไม่คาดหวังให้มันสงบเพรารู้ว่ามันจิตมันเป็นอนัตตาก็ยอมรับมันนะมันจะฟุ้งก็ฟุ้งไปนะแต่ว่าเราก็จะพยายามเรียนรู้หรือรู้เท่าทันมันลองมองว่ามันมาเป็นครูเป็นแบบฝึกหัดสอนใจเราบ้างให้มีสติอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องวางใจใถูกเลยนนะว่าไม่ควรจะมาปฏิบัติเพื่อหวังความสงบ ชนิดที่ว่าจิตไม่คิดอะไรหรือคิดน้อยแต่ว่ามาปฏิบัติเพื่อจะได้รู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์รู้ทันนิวรต่างๆที่มันเกิดขึ้นจะไม่ให้มันมีเลยมันก็ไม่ได้แต่ถึงแม้มันมีถากเรารู้ทันนะมันทำอะไรเราไม่ได้เรามาฝึกใจให้รู้ทันนะด้วยสติ ถ้าวางใจแบบนี้ได้เนี่ยการปฏิบัติเราจะราบรื่นนะไม่ว่าใจมันจะฟุ้งหรือไม่ฟุ้งนะลองดูใจของเราสังเกตใจของเราเวลาปฏิบัตินะน้าดามคำเคร่งไหมนะพยายามผ่อนทำใจผ่อนคลายหลวงพ่อเทียนเนี่ยเคยแนะนำอาตมาตั้งแต่วันแรกๆเลยบอกว่าให้ทำเล่นๆ ทำเล่นๆแต่ทำจริงๆนะทำเล่นๆก็หมายความว่าไม่ทำด้วยความคาดหวังมันจะฟุ้งบ้างมันจะหลงบ้างก็ไม่เป็นไรช่างมันเริ่มต้นใหม่นะไม่ต้องหงุดหงิดกับความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นมันฟุ้งไปแล้วก็ช่างมันไม่ต้องไปกลับไปทบทวนว่าฟุ้งหรือคิดอะไรเมื่อสักครูทำํำมถึงคิดคิดหลวงพ่อคำเขียนบอกว่าคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างนะไม่เป็นไรนะ หลงไปแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่อย่าไปงุนหญิดลำคาญมันเป็นธรรมดาอันนี้เราทำเล่นๆแต่ว่าทำจริงๆคือว่าทำตั้งแต่เช้าตื่นนอนขึ้นมาจนเข้านอนเลยทุกอิริยาบถนะเป็นการเจริญสติหมดนะไม่ใช่แค่เดินจงกรมสร้างจังหวะนะตื่นเช้าขึ้นมาเก็บที่นอนล้างหน้าแปรงฟันอันนี้ก็เจริญสติ เดินไปตักอาหารก็เจริญสติทำความรู้สึกตัวไปเข้าห้องน้ำก็เจริญสตินะถือเป็นการปฏิบัติไปในตัวถ้าทำนี้ตลอดทั้งวันนี่ก็ถือว่าทำจริงจริงนะแต่ทำด้วยใจที่ผ่อนคลายหน้าไม่มีอาการหน้าดำข้าเครง่งไม่คิดจะเอาชนะกับอะไรนะไม่ใช่ง่ายนะแต่ว่าลองฝึกแบบนี้ดูฝึกเพื่อที่เราจะได้รู้จักทาเล่นๆนะแต่ว่าทาจริงๆ แต่มันก็จะไม่ง่ายหรอกเพราะว่าพอทําไปทำไปเนี่ยจิตที่มันคิดจะเอาจิตที่มันจะคิดจะชนะเนี่ยมันก็จะมันก็จะครองใจเราแล้วก็จะเริ่มหงุดหงิดลาคาญว่าทำไมมันฟุ้งเหลือเกินเสร็จแล้วก็จะเริ่มหงุดหงิดสิ่งอื่นไปโทษเสียงไปโทษอาหารไปโทษยุงไปโทษดินฟ้าอากาศทั้งหมดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความหงุดหงิด ที่จิตมันฟุ้งนะไม่หยุดหย่อนสักทีนะลองวางใจเป็นกลางกับมันนะถือว่ามันมาเพื่อมาสอนเราเพื่อมาฝึกให้มีสติรู้ทันนะอย่ามองเขาเป็นศัตรูนะมองเขาาเป็นมิตรเป็นครูนะตอนนี้เนี่ยในเนื่องจากเรามา เรามาปฏิบัตินะแบบเข้มข้นเก็บอารมณ์แล้วเนี่ยนะทางวัดเราก็ให้สิทธิพิเศษหลายอย่างนะเช่นไม่ต้องมาทำวัดก็ได้นะไม่ต้องบินทบาทงานการที่เป็นกิจส่วนรวมไม่ต้องทำก็ได้นะเพราะฉะนั้ น, นก็หมายความว่าเราก็ควรจะปฏิบัตินะอย่างตั้งอกตั้งใจ ไม่ใช่ว่าพอไม่ต้องทําวัดก็เลยนอนตื่นสายไปเลยมาตื่นชี้ก็ได้เวลานะไปตักอาหารนะหลายคนเก็บอารมณ์เพราะเหตุนี้แหละเพราะว่าไม่อยากตื่นเช้าไม่อยากมาทําวัดนะอันนั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการเก็บอารมณ์หรือการมาปฏิบัติแบบเข้มข้นแล้วยิ่งกว่า น, นั้นเนี่ยนะก็อาจจะเอาเวลาว่างที่มีเนี่ยนะสมัยนี้เนี่ย มันมีทุกคนเนี่ยก็มีโทรศัพท์มือถือกันนะถ้าเก็บอารมณ์แล้วมาใช้โทรศัพท์มือถือนะเล่นไลน์เล่น Line, เฟซบุ๊กเนี่ยอันนี้ก็ไม่สมควรนะในเมื่อเราได้สิทธิพิเศษนะที่จะไม่มาทำวัดไม่ม า, าสวมดมนต์ไม่บินทบาดไม่ทำไม่ทำกิจส่วนรวมก็ควรนะตั้งใจปฏิบัตินะไม่อนุญาตนะให้ มาใช้โทรศัพท์มือถือในการพูดคุยหรือว่าในการใช้เล่นไลน์นะอันนี้ก็คงจะทราบดีอยู่แล้วแล้วควรงดการพูดคุยนะการคุกคลีมันจะมีความอยากคุกคลีมากเลยนะอยากจะไปพูดคุยกับคนมากเลยเพราะธรรมชาติคนเราเนี่ยก็อยากจะคุยกันอยู่แล้วคุยมันก็เพลินยิ่งมีความเครียดมีความง่วงหรือว่าฟุ้งซ่านเนี่ย กระสรับกระส่ายก็อยากจะไปนะไปพูดคุยนะจะเป็นเพราะเพื่อมันไม้เพื่อหายง่วงหรือเพราะว่าเพื่ออะไรก็แล้วแต่ล้วนะขอให้หลีกเลี่ยงนะการไปคุกคีพูดคุยกันนะอีกอย่างนึงคือว่ า, อาการตัดต้นไม้หรือการตัดสมุนไพรเนี่ยนะที่นี่เราก็อนุรักษ์ป่าแล้วก็อนุรักษ์สมุนไพร บางคนว่างๆเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรก็ก่อไฟต้มสมุนไพรก็ต้องไปตัดสมุนไพรามานะีอันนี้เราก็ขอร้องนะว่าอย่าตัดต้นไม้จนะตัดสมุนไพรแล้วก็อันนึงก็คือเรื่องการตักอาหารตักให้พอนะแต่ว่าอย่าให้เกินเพราะพอเกินแล้วเนี่ยก็ต้องทิ้งหลายคนพออาหารมีอาหารเหลือก็เลี้ยงหมา ที่นี่เนี่ยเราพยายามนะไม่ไม่เลี้ยงหมานะนี่จะสังเกตว่าหมานี่เยอะเยืเต็มวัดเลยเราก็พยายามที่จะไม่ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงเอาอาหารเลี้ยงหมาแต่ว่าหลายคนที่ตักอาหารมาพอเกอินแล้วเนี่ยก็อดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นประเด็นใหญ่ๆนะที่อยากจะฝากเอาไว้ข้อกําหนดอื่นๆนี่ก็มีอยู่แล้วนะ ก็คงได้พูดกันไปแล้วแต่ว่าที่พูดมาตรงนี้เนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ า, าก็มีปีก่อนก่อนก็มีหลายท่านเนี่ยก็ก็ทแบบนี้แหละนะซึ่งมันก็ก่อปัญหากับเพื่อนที่ร่วมปฏิบัติแล้วก่อปัญหากับทางวัดนะดนั้นก็ต้องขอความร่วมมือ น, นะที่ช่วยกันนะทำให้การปฏิบัติของเราเก้าวหน้าแล้วก็ไม่ไปรบกวนการปฏิบัติของผู้อื่น ถ้าถ้าส่งเสริมการปฏิบัติของผู้อื่นนะก็ยิ่งดีซึ่งการส่งเสริมการปฏิบัติของผู้อื่นก็มันก็ไม่ได้ยากอะไรก็เพียงแต่เราเนี่ยนะทำของเราให้ดีเนี่ยไม่ไปรบกวนใครเนี่ยก็เท่ากับช่วยคนอื่นแล้วการช่วยคนอื่นเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการที่เราปฏิบัติตัวให้ถูกต้องก่อนไม่เป็นภาระหรือสร้างปัญหากับใครแล้วก็คนี้ก็ยุติเท่านี้นะกรบาบพพร้อมกัน